พระบัญญ 37, ัติ937ก็ภิกษุณีเหล่าใดสองรูปใช้าพเผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่มนอนร่วมกันต้องระบัดป่าจิตตีเรื่องภิกษุณีนอนร่วมกันสอง ร, ป ร, องนอน ร, รูปจบ